สสติคืออะไรสติคือความระลึกได้มีลักษณะคือความไม่เลื่อนลอยใจไม่ลอยหนีไปสติทำหน้าที่อารักขาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วทันทีที่สติเกิดอกุศลต้องดับทันทีสติมีการจำสภาวะธรรมได้แม่นยาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเป็นตัวระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกไดถึงความมีอยู่ของใจ ถ้าเมื่อใดเรารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจได้ก็เรียกว่ามีสติในวงเล็บตัวจริงแต่ถ้ารู้สึกแบบเพ่งให้จิตลงไปแนบที่กายที่ใจจะไม่มีปัญญาเพราะเงื่อนไขที่ทำให้เกิดปัญญาก็คือสัมมาสมาธิจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสักว่ารู้สักว่าเห็น